ที่เราสวดเป็นประจำนะก็คือบทที่เรานะพึ่งสาธยายไปสักครู่นะอุทิศนาทิศคาถาหรือเรียกง่ายๆว่ากรวดน้ำตอนเย็นกรวดน้ำตอนเย็นนี่นะเราไม่มีน้ำสักหยดที่กรวดแต่ว่าเป็นการกรวดน้าในใจ <c oughs> นะน้ำนั้นก็คือบุญกุศลที่เราได้บาเพ็ญนะตลอดทั้งวันถ้าเราได้พิจารณา บทกรวดน้ำเย็นเนี่ยนะจะได้แง่คิดหลายอย่างประการแรกคือว่าขณะที่เราอุทิศบุญกุศล น, นะไปให้กับสิ่งต่างๆนะเรียกว่าไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนะไม่ใช่เฉพาะนะอุปชาครูบาอาจารย์พ่อแม่หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแต่แม้กระทั่ง คนที่มุ่งร้ายกับเรานะเราก็แผ่ไปให้มีคำหนึ่งนี่ว่าเนี่ยผู้เป็นกลางผู้จ้องผานผู้เป็นกลางก็หมายความว่าคนที่ไม่ได้ทําอะไรกับเราทั้งดีทั้งร้ายนะเราก็แผ่ไปให้หรือแม้กระทั่งผู้จ้องผานก็คือผู้ที่มุ่งร้ายกับเราเราก็แผ่ไปให้เช่นเดียวกัน อันนี้เป็นวิสัยของชาวพุทธนะก็คือว่าเราปรารถนาดีมีเมตตากับทุกคนแล้วว่าตลอดไปถึงส ร, ร์พสัตว์การที่เราจะมีเมตากับคนที่มีบุญคุณกับเราคนที่ทำความดีกับเราคนที่รักเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากนะเพราะว่ามันเป็นธรรมดาเป็นวิสัยของคนทั่วไปอยู่แล้ว ที่จะทำดีกับคนที่ดีกับเราแต่สิ่งที่ยากคือว่าให้คนที่ทำไม่ดีกับเรานะคนที่มุ่งร้ายกับเราแล้วก็แผ่ไปให้อันนี้เป็นเป็นวิสัยของชาวพุทธนะซึ่งมันทำให้เราเนี่ยอ่นะเป็นมากกว่าคนทั่ ว, วไปนะหรือว่าเป็นมากกว่าที่เราเคยเป็นเรียกว่ามีการพัฒนาตน เป็นการก้าวข้ามความโกรธความเกลียดเพราะว่าคนที่เขามุ่งร้ายกับเราเอาเปรียบเราเอาจจะต่อว่าเราธรรมดานะเราก็ย่อมเกิดความโกรธความเกลียดไม่พอใจนะที่จริงอนการที่เราแผ่เมตตาหรืออุทิศส่วนบุญไปให้เขาเนี่ยมันก็เป็นวิธีหนึ่งนะในการที่จะบรรเทาความโกรธ ค, ความเกลียดความไม่พอใจเพราะว่าถ้ามัน เกิดขึ้นในใจเราเมื่อไร่เราก็จะทุกข์รุ่มร้อนถึงกับกินไม่ได้น้อยไม่หลับก็มีบางทีเก็บไปฝันด้วยซ้ำคนที่เรารักเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยคิดถึงเท่าไหร่เมื่อเทียบกับคนที่เราเกลียดเราจะคิดถึงบ่อยมากเลยคำพูดของเขาการกระทาของเขาและคิดทีไรมันก็รุ่มร้อนแต่ถ้าเกิดว่าเรา รู้ว่าอารมณ์แบบนี้ไม่ดีนะอยากจะเยียยารักษาใจก็นี่แหละแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลไปให้เขานะมันเป็นการดับนะไฟโทสะแล้วก็ยังช่วยทำให้เราได้พัฒนาตนไปอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าในที่สุดในความโกรธความเกลียดมันก็ครองจิตครองใจเราไม่ได้เราก็จะ ประสบความสงบร่มเย็นในจิตใจอันนี้เนี่ยก็มีการสมทับปิดท้ายด้วยการแผ่เมตตาอัที่เริ่มต้นด้วยคำว่าสัพเพสัตตาเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันนะสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาเราแผ่เมตตาเนี่ยก็อย่าอย่าพูดแต่ปากให้ใจน้อมไปในทางที่ จะแผ่ความปรารถนาดีบุญกุศลของเราไปให้กับสัพพสัต์ก็อีกครั้งหนึ่งนะที่เราไม่ได้นึกแต่เฉพาะบุปการีพ่อแม่ลูกหลานขอให้คิดนึกแม้กระทั่งคนที่เขาทำไม่ดีกับเราเพราะว่าคนเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสัตว์นะเวลาเราแผ่เมตตาสัเพสตาเนี่ยนะก็ให้คลุมไปถึงคนเหล่านั้นด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่ยกเว้นนะ บางคนมีเรื่องทะเลาะเบาะแวงกับเพื่อนบ้านอยู่รั้วเดียวกันนะอยู่ติดรั้วเดียวกันแผ่แม่ตาไให้ทุกคนนะยกเว้นเพื่อนบ้านยกเว้นเจ้าน า, นายยกเว้นเพื่อนโรงงานอันนี้ก็ไม่ถูกนะเราต้องแผ่ไปให้หมดเลยแล้วใจเราสบายใจเราจะใหญ่หัวใจเราใหญ่แล้ความสุขมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายปลอดโปรง่ง ประการที่สองเนี่ยนะบทกรวดน้ำตอนเย็นเนี่ยจะมีครึ่งครึ่งหลังเนี่ยนะนะก็จะเป็นการจะเรียกว่าภาษาชาวบานเรียกอธิษฐานแต่แทนที่จะอธิษฐานขอให้รวยนะขอให้มีโชคมีลาบนะก็กลับอธิษฐานนะว่าขอให้ตัณหาอุปาทานมันหมดไปนะ สิ่งช่วยในดวงใจมาลายสิ้นไปจากสันดานไม่ได้หวังโชคลาภนะแต่ว่าขอให้ตัณหาอุปาทานสิ่งช่วยในดวงใจเนี่ยมล า, ายสิ้นไปจากสันดานคือหายไปจากจิตใจแล้วก็อธิษฐานต่อไปว่าขอให้นะมีสตินะและปัญญาประเสริฐพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหาย ไม่ได้ขอให้รวยขอให้มีชื่อเสียงไม่ได้ขอให้มีอายุยืนด้วซ้ําอายุบรรณสุขาภะนี่ก็ไม่เคยได้พูดถึงนะแต่พูดถึงว่าเนี่ยขอให้มีคุณธรรมเจริญ ง, งอกงามภายในเช่นสติปัญญาและความเพียรเราใช้คำว่าความเพียรเลิศนะว่เาเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากเพียรไปทำไมเพียรเพื่อจะขูดกิเลสให้หาย รวยยังไงนะมีชื่อเสียงยังไงถ้ากิเลสมันยังอยู่มันยังหนานน่นเนี่ยห า, าความสุขยากนะเพราะว่าได้เท่าไหร่ก็ไม่พอนะมีร้อยล้านก็ยังไม่มีความสุขเพราะกิเลสมันหนาอยากได้มากมีร้อยล้านแต่เพื่อนเพื่อนบ้านนะเขามีห้าร้อยล้านพันล้านหรือเพื่อนร่วมรุ่นเขามีพันล้านเนี่ยแค่นี้ก็ทําให้ทุกข์ละ จางที่มีมากแต่กลับรู้สึกว่าเรามีน้อยเพราะไปเปรียบเทียบอยากได้มากอันนี้เพราะมียังมีกิเลสนะกิเลสหนาแล้วก็ปัญญาไม่มีนะคนเราถ้ามีปัญญาเนี่ยนะมันจะไม่ไปเปรียบเทียบกับคนที่เขารวยกว่าไม่ได้คิดว่าเราโชคร้ายแต่กลับรู้ว่าเออเราโชคดีนะเรามีเงินมากมายอย่างนี้คนหนึ่งเขาไม่มีมากเหมือนเรา คือถ้ามองเป็นเนี่ยนะมันจะไม่ทุกข์ถ้ามองไม่เป็นเนี่ยนะคือไม่มีปัญญามันทุกข์นะมีร้อยล้านก็ยังทุกข์เพราะเพื่อนบ้านเพื่อร่วมรุ่นเขามีมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเรานะมีกิเลสน้อยมีปัญญามากนะแม้พออยู่พอเก่งก็ยังมีความสุขนะ โชคดีที่ยังกินอิ่มนอนอุ่นนะเห็นคนอื่นเขาไม่มีกินไม่มีบ้านอยู่โชคดีเรามีสุขภาพดีนะไม่เจ็บไม่ป่วยหรือว่าเจ็บป่วยก็ยังดีนะที่ไม่ได้เป็นโรคร้ายชนิดรักษาไม่หายอย่างมะเร็งหรือว่าไตาวายหรือว่าเป็นเอดสนะ์อันนี้เรามีปัญญานะคือคนที่มีปัญญานี่เานะ ก็จะมีความสุขตลอดเวลาไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาก็ตามเยันถ้าเราอยากจะมีความสุขเนี่ยนะก็ให้มีสติให้มีปัญญาแล้วก็มีความเพียรเพื่อขูดกิเลสให้มันเบาบางกิเลสน้อยก็จะสุขง่ายนะกิเลสมากก็สุขยากแต่กลับจะทุกข์ง่ายใน ต, ตอนท้ายของของอบทกลดน้ำตอนเย็นก็จะบอกว่าเนี่ยโอกาส นะอย่าพึงมีแก่หมู่มารนะเป็นช่องประตูสลายทำลายล้างความเพียรจมขออย่าให้นะเปิดช่องเปิดโอกาสให้หมู่มาร น, นะมันมาเล่น ง, งานจิตใจเราพอไม่งั้นเนี่ยมันจะหาความสุขได้ยากขอหมู่มารอย่าได้ช่องด้วยเด็ดบุญทั้งสิท ป, ป้องอย่าเปิดโอกาสแก่หมู่มารเทินไม่ได้ขออะไรนะขออย่าให้ ใจิตใจเรานะมีช่องให้หมู่มานนะมันเข้ามาเล่นงานเพราะถ้าว่าหมู่มานมันเข้ามาเล่นงานเมื่อไหร่นี่โอมันแย่เลยไม่ว่าจะร่ํารวยไม่ว่าจะมีอายุยืนไม่ว่าจะมีชื่อเสียงแค่ไหนก็ยังหาความสุขได้ยากาคนเรานี่ไม่ค่อยมองตรงนี้นะเวลามาวัดเนี่ยก็อยากจะทําบุญอยากจะทําบุญเยอะๆ ยิ่งเป็นบุญกระถินเนี่ยยิ่งขอทุ่มเต็มที่นะถามว่าเพื่ออะไรเพื่อจะได้มีได้บุญเยอะๆ อ, อยากได้บุญไปทําอะไรนะอยาได้ร่ารวยอยได้มีโชคมีลาบนะแต่นั่นเนี่ยมันยังเป็นอันที่สองที่เรียกว่าเล็กน้อยนะเมื่อเทียบกับการเอาบุญนั้นเนี่ยนะไปใช้ในการปกป้องรักษาใจไม่ให้กิเลสไม่ให้หมู่มานเนี่ย มันช่วยโอกาสถึงใช้คำว่าด้วยเดชบุญทั้ง10ป้องอย่าเปิดโอกาสแกมมารเทินนะบุญทั้งส0ป้องเนะี่ยบุญทั้ง10นี่ก็ได้แก่ทานศีลภาวนานะความอ่อนน้อมถ่อมตนการฟังทำการแสดงธรรมความช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นแล้วก็การรู้จักนะยินดีในความดีของผู้อื่นเป็นต้นนะ เมื่อเราทำความดีเนี่ยนะก็ขอให้ความดีที่เราทำหรือบุญที่ทเราบำเพ็ญเนี่ยมันช่วยรักษาใจของเราไม่ให้กิเลสมันครอบงาอันนี้เป็นพิสัยของชาวพุทธนะก็คือว่าไม่ได้ อ, อบุญไปไม่ได้หวังบุญเพื่อที่จะไปะทำให้เกิดโชกเกิดราบอันนั้นมันมันมันเกิดขึ้นเองอยู่แล้วแต่มันไม่ใช่เป็นอันที่สงที่ประเสริฐ อันนี้สองที่ประเสริฐคือเนี่ยการที่มันช่วยรักษาใจเราไม่ให้กิเลสเข้ามาเล่นงานไม่ให้หมู่มานเข้ามาครอบงำจิตใจเราชาวพุทเนี่ยถ้าเรามีปัญญา เ, เราจะรู้ว่าตรงนี้สำคัญกว่าถ้าจิตใจเราเนมันองนน่นหนา ไม่มีรูโวไม่มีช่องให้กินเลสให้หมูมันมันเข้ามาครอบงำเราจะสุขได้ง่ายนะแค่กินอิ่มนอนอุ่นก็มีความสุขละไม่เจ็บไม่ป่วยก็มีความสุขละหรือแม้แต่เจ็บป่วยนะก็ยังมีความสุขได้คือมันป่วยแต่กายนะใจไม่ป่วยเพราะว่าใจเนี่ยมันมนะีบุญเป็นเครื่องรักษา แต่ที่จริงบุญเนี่ยมันไม่ได้รักษาใจนะมาเท่ากับว่าเป็นตัวอำนวยให้เกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาก็คือสติและปัญญานะสติเนี่ยมันจะเป็นเครื่องช่วยรักษาใจไม่ให้กิเลสนะหรือว่ามานี่เข้ามาครอบงำคนเราเนี่ยนะจะมีความสุขขั้นพื้นฐานได้เนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการที่ไม่ทำชั่วก็คือมีศีล แคนเราจะมีศีลได้เนี่ยนะไม่ต้องมีมีสติมีความรู้สึกตัวเป็นพื้นฐานถ้าคนเนี่ยไม่มีสตินีมันก็ลืมตัวง่ายนะลืมตัวคือไม่รู้เนืรู้ตัวคนเราเนี่ยอยากจะทำความดีแต่ว่าบางครั้งมันเผลอทำชั่วเผลอดา่เาเผลอทำร้ายก็เพราะลืมตัว โทสะความโกรธมันครอบงำนะความโกรธความเกลียดมาเล่นงานจิตใจอยากจะทำความดีแต่เพลอนะเพลอไปทำความชั่ ว, ชวเช่นไปขโมยนะเห็นสร้อยเห็นโทรศัพท์นะเห็นเงินของคนวางอยู่นะใกล้มือใกล้ตัวไม่มีคนอยู่ก็โดยความโลภตอนนั้นมาลืมตัว หรือบางทีไม่ได้เห็นเงินนะนะเป็นเม็ดเงินนะแต่ว่ามันเห็นบัญชีนะก็ถือโอกาสคอร์รัปชันหลายคนคอร์รัปชันเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเป็นนิสัยเลวโดยสันดาลนะแต่มันลืมตัวนะความโลภเนี่ยคอมงำเนี่ยนั่นแหละเรียกว่าใจเนี่ยมันเปิดช่องให้กิเลสเข้ามานะหลายคนเสียผู้เสียคนเพราะลืมตัวชั่วคราวลืมตัวชั่วขณะนะ บางทีก็ลืมตัวหน้ามืดนะไปล่วงละเมิดนะไปกระทําชําเรานะคนใกล้ชิดที่ก็ไม่ใช่คู่ครองของตัวอาจจะเป็นเมานะหรือเพราะลืมตัวชั่วขณนะก็เสียผู้เสียคนนะโดนสังคมประนามหรือว่าถูกตำรวจถูกกฎหมายนะลงโทษ คนเรานี่ถ้าลืมตัวซะนะมันก็ทำช่วยได้ง่ายหรือแม้แต่จะทำความดีนะจะทำบุญนะแต่ว่าถ้าลืมตัวนี่มันก็อาจจะได้บาปนะบางคนก็อยากได้บุญนะนะก็ไปวัดไหนที่มีอ่าเขาเรียกกันว่ามีหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่ อ, อา จ, จะเป็นพระพุทธรูปหรือว่าหลวงพ่อจริงๆนะอย่างเช่นหลวงพ่อคูณเนี่ยก็อย่าไปทําบุญกับท่านนะแต่ว่าคนเยอะมากก็อาจจะเกิดการทะเลาะนะวิวาทกันมีการกระทบกระทั่งกันนะพ่ออาจจะแซงคิวกันนะให้แทนที่ได้บุญกับได้บาปนะพ่อไปทะเลาะกันเนี่ยในวัดแม้กระทั่งเนี่ยเมือม่อเมื่ออาทิตย์แล้วเนี่ยงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพในะที่สนามหลวงเนี่ยหลายคนไปกนะก็อยากจะไปตอบแทนพระคุณนะของในหลวงอยากจะไปร่วมทำความดีถวายเป็นพระกุศลแต่ว่าก็มีบางรายนะไปแล้วก็ทะเลาะ ก, กัน บอกแว่งกันเพื่อขั้นจะวางมวยอันนี้มันไม่เป็นข่าวหรอกนะแต่ว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ก็เล่ามาใหฟังเนี่ยเนี่ยอยกจะไปทําความดีนะถาวายในหลวงนะแต่ว่าถ้าทำชั่วไปเท่าไห่นะแม้จะไม่ใช่เป็นความชั่วที่ไร้แรงเพราะอะไรเพราะลืมตัวไอ้นคนร้อนเนี่ยนะถ้าลืมตัวไม่มีสติหรือไม่รู้เนะื้อรู้ตัวนะแม้จะทําความดีมันก็ยังทําไม่ได้เลยหรือทําได้ไม่ไม่ดี อดีาว่าแต่ทําความดีเลยนะแม้กระทั่งได้โชคได้ลาบนะแม้กระทั่งได้โชคได้ลาบถ้าลืมตัวนี่ไอโชคลาบนี้ก็กลายเป็นศูนย์เป็นนะเ <c oughs> มือ่อเมื่อเร็วๆนี้นี่เขาเขามีคลิปนะวิดีโอนะเป็นภาพการเตะลูกโทษนะในเมืองไทยนี่แหละนะเตะลูกโทษก็คงจะเป็นนัดสำคัญ บพกว่าคนที่เตะลูกโทษเนี่ยเตะพลาดลูกบอลเนี่ยมันไปกระชนคานผู้รักษาประตูก็ดีใจนะโอ้โหนึกว่าจะแพ้แล้วดีใจกระโดดโลดเต้นกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจที่ลูกบอลเนี่ยมันไม่เข้ามันไปชนคานวิ่งออกมานะจนนอกเขตโทษนอกกรอบเขตโทษนะ ไอ้คนที่ยิงนะมันก็พอยิงไม่เข้านะก็ห่หอเหี่ยวเลยนะก้มหน้านิ่งเลยนะเสียใจมากแต่ปกติไอ้ลูกบอล น, นี่นะมันชนขาแล้วมันมันกระดอนออกมานะมันกระดอนมาแล้วมันตกตรงเขตโทษใกล้ๆ ก, กับคนที่ยิงประตูนะแล้วบอลเนี่ยนะมันก็ไปตกหลัง ไอ้ผู้รักษาประตูที่กําลังดีใจแล้วบอล น, นั้นเนี่ยมันตกพอตกพื้นนะมันเด้นเข้าประตูไปเลยมันกระดอนเข้าประตูเลยนะไอ้ผู้รักษาประตูที่กาลังดีใจนะพอเรือหลังกลับมาอา้าวนะลูกบอล น, นี่มันกําลังวิ่งเข้าประตูนะไปตุงตะขายเสียใจเลยกลายเป็นแทนที่จะชนะกลายเป็นแพ้ไปเลย นี่เพราะอะไรนะเพรามันดีใจจนลืมตัวะดีใจจนลืมตัวที่จริงบอลมันยังไม่ตกพื้นนี่ยังยังไม่ถือว่าเจ๊กเกมนะเนีย่ยถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนมีสตินะเออบอลมันชนคานเนี่ยนะก็อย่าเพิ่งดีใจเหรืออย่าเพิ่งดีใจจนหมนึมดตัวดูมันให้เรียบให้มันถี่ท่วนแล้วก่อนว่าบอลนี่มันไปอยู่ไหนถ้าบอลไม่ตกมันไปตกพื้นหน้าประตูก็ได้ไปเก็บหรือไปไปต่อยให้มันกระเด็นออกไป เนี่ยกลืมตัวนะคนคนที่ลืมตัวนะได้โชคได้ลาบมานีมันก็กลายเป็นศูนย์นะเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยมีลูกเขียดเป็นอัแปะคนหนึ่งนะแกะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแกดีใจมากเลยนะถือลอตเตอรี่เนี่ยนะไปที่ตลาดก็โดดโลดเต้นประกาศว่ากูได้กูถูกรางวัลแล้วลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแกดีใจมากกระโดดโลดเต้นโอ้ย นะแล้วจูจูนะแกก็ฉีกลอตเตอรี่ทิ้งเป็นชิ้นๆเลยแกคงลืมตัวพอๆแกรู้ว่าแกทําอะไรลงไปตกใจพยายามเก็บไอ้ลอตเตอรี่ที่ฉีดเป็นชิ้นๆมาต่อนะมันต่อไม่ได้นะเพราะชิ้นมันละเอียดมากเลยจากดีใจนะกลายเป็นเสียใจไปเลยนะแล้วเสียใจไม่ใช่เสียใจธรรมดานะเสียใจจนเป็นบ้าไปเลย นี่ถ้าแกไม่ลืมตัวนะแกก็คงไม่ฉีกแบตเตอรี่เป็นชิ้นๆไอ้ตอนนั้นแกคงคิดนะว่ากูรวยแล้วเว้ยกูรวยแล้วเว้ยต่อไปนี้กูไม่จนแล้วนะลาก่อนความจนลาก่อนความยากลําบากไอ้พอผู้บันลาก่อนแล้วกูไม่จนเนี่นะก็เลยมือมันก็เผลอไปฉีกแบตเตอรี่เนี่ยคนเรานี่นะอยากได้โชคอยากได้ลกากรั้งนั้นแหละแต่ลืมไปนะว่า ถ้าได้โชดได้ลาบแต่ไม่มีสตินะมันกลายเป็นเคราะห์ได้นะบางรายถูกลอตเตอรี่รางวันที่1 ห, หลายใบยด้วยนะยได้เป็น20หรือ40ล้านดีใจมากระหว่างที่ขับรถเนี่ยใจก็ลอยนะว่าจะเอาเงิน40ล้านนี่ไปทำอะไรนะไปซื้อบ้านไปเที่ยวต่างประเทศนะไปซื้อรถนะแจกรถให้ลูกให้เมีย ดีใจเพราะว่าลืมดูถนนรถมันก็เป็นไงนะก็เลยไปชนประสานงานกับรถเมย์ตายบางรายก็แหกโคง้งนะไปชนเสาไฟฟ้ า, าพิการไปอันนี้เพราะอะไรเพราะลืมตัวนะคนเราเนี่ยนะ หากว่าเราแม่ว่าเราจะมีโชคมีลาบแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้ามันขาดสตินะขาดความรู้สึกตัวหรือความรู้ตัวนะไอ้โชคที่มีก็อาจจะเป็นเคราะห์หรือว่าสูญไปเพราะใ น, นี่นี้เนี่ยนะเราไม่ได้สอนแต่เฉพาะเรื่องการชวนคนทำบุญทำความดีรักษาศีล น, นะแต่เราชวนคนให้ให้ฝึกสติให้มีความรู้สึกตัวด้วย แต่เวลาพูดคำ ว, ว่าสติความรู้สึกตัวเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็มองว่าเป็นญาปากข้อเพราะมันมีอยู่แล้วนะไม่ได้คิดว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญนะที่มันจะช่วยรักษาใจนะไม่ให้กิเลสไม่ให้มารเข้ามาเล่นงานมารเนี่ยมันจะเข้ามาครอบงับจิตใจได้นี่นะมันก็มาตอนที่ใจเราเผลอใจเราขาดสติไม่รู้สึกตัว ไม่รู้สึกตัวเมื่อไรนะไม่มีสติเมื่อไรเนะี่ยมันใจมันก็เปิดช่องให้กิเลสเข้ามาเล่นงานกิเลสมันก็ปั่นหัวเรา <c oughs> นะทำให้เราทำชั่วได้อย่างที่บอกไว้แล้วบางคนเนี่ยนะทำชั่วโดยไม่ได้ตั้งใจนะมันเผลอมันบูบมันบู้ไปชั่วขนะดเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยก็มีนะ ผู้ชายคนหนึ่งถูกลอตเตอรี่นะสามสิสี่สิบล้านมัน้งหลายใบลุงลูกขาวนะก็ เ, เลยชวนนะอาสาเนี่ยเจ้าเจ้ากิจเจ้าการชวนหลานนี่นะไปขึ้นรางวัลก็คงจะอ่าให้คงจะมีมีรถกระบะนะลุง ก, กับหลานนี่ก็คงจะนั่งอยู่บน กระบาดกระบะหลังพอหลานเผลอนะลุงก็ทีบเลยนะทีบหลานลงจากรถกระเดินลงไปจากรถนะ่หลังจากที่ได้ลอตเตอรี่แล้วก็ทีบเลยนะหลานก็ตายไอ้ลุงก็ได้ลอตเตอรี่ไปขึ้นรางวัลแต่ปรากฏว่านะไปไม่รอดนะถูกตำรวจจับ อันนี้เรียกว่าความโลภนะความโลภมันทําให้ลืมตัวขนาดฆ่าหลานได้คือพอคนเราไม่รู้สึกตัวนะหรือลืมตัวนะกิเลสเนี่ยมันเข้ามาครอบงําได้เข้ามาเล่นงานได้เลยกิเลสตัวนี้ จ, จะเป็นกิเลสโลภะหรือกิเลสโทสะก็ได้งนั้นคนเรานี่ต้องต้องระวังนะนเวลาเราทําบุญเนี่ยนะก็ให้ลองมองไปไกลๆมองไปลึกๆซักหน่อยนะ ว่าไอ้บุญที่เราทำนี่นะอย่าไปหวังเพียงแค่ว่าทาให้เรารวยทำให้มีโชคมีลาภเท่านั้นอันนั้นมันไม่ใช่หลักประกันแห่งความสุขอย่างแท้จริงสิ่งที่ควรจะหวังคือว่าเออมันทำให้เราเนี่ยนะมีสติมีปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องขูดกินเลดทำความดีแต่ละวันแต่ละวันเสร็จก็เออก็อธิษฐานว่าเนี่ยข อ, อ โอกาสอย่ามีแก่หมู่มารเป็นช่องประตุสลายทําลายล้างความเป็นจมหรือไม่ก็ขอนีอย่าขอให้ขอหมู่มารอย่าได้ช่องนะขอให้บุญที่เราบําเพ็ญ ม, มาเนี่ยช่วยปกป้องรักษาใจนะอย่าเปิดโอกาสแก่หมู่มารเทินเนี่ยให้ลองคิดแบบนี้ดีกว่านะว่าเออทำยังไงนะคือเราจะไม่ใช่แต่ถ้าจะทิฏฐานขอเนี่ยก็ขอให้ คุณทรรภายในเช่นสติปัญญานะมันมีไ ม, ม่เปิดช่องให้กิเลสเข้ามาครอบงำซึ่งอย่างที่บอกมันจะเกิดขึ้นได้ต้องมีความรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวเมื่อไหร่เนี่ยมีสติเมื่อไหร่กิเลสหรือแม้แต่ความทุกข์นี่ก็เข้ามาเล่นงานจิตใจไม่ได้แต่จะว่าไปแล้วของมั น, นี้มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องขอนะมันต้องลงมือทาด้วยนะ อยากให้มีสติมีความสึกตัวก็ต้องเจริญสตินะทำความสึกตัวนะี่ยที่นี้นี่เรามันเน้นมากนะเรื่องการเจริญสติการทำความสึกตัวนะทั้งด้วยการนะทำอิริยาบถในรูปแบบนะเช่นการยกมือสร้างจังหวะนะอันนี้บางคนก็อาจเห็นลักง ง, งงว่าทาอะไรกันนะก็คือให้มีความสึกตัวในขณะที่เรายกมือไม่ใช่แค่ยกมือ เวลากระดิกนิ้วเราก็รู้สึกตัวการกระดิกนิ้วการคลึงนิ้วก็เป็นการเรียกสติกับมาเวลาใจมันลอยนะเป็นการเจริญสติให้รวดเร็วฉับไวบางทีก็มีการเดินจงกรมนะเพื่อให้มีสติรู้ตัวขณะที่เราเดินรวมไปถึงเวลาที่เรานะทำกิจวัตรประจำวันอาบน้ำถูฟันกินข้าวเนะช็ดเนื้อเช็ดตัว ทำครัวกวาดบ้านก็ให้มีสติมีความรู้สึกตัวนะไอสิ่งที่เราทําเป็นธรรมดาธรรมดาในชีวิตประจําวันเนี่ยมันกลายเป็นการปฏิบัติธรรมได้ทันทีเลยนะถ้าเราเติมสติลงไปอานะจารย์บุทธรบอกการทํางานคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราทําครัวแล้วก็ปฏิบัติธรรมได้เราอาบน้ําก็เราก็ยังปฏิบัติธรรมได้เรากวาดใบไม้เช็ดถูทําความสะอาด ภาชนะก็เป็นการปฏิบัติธรรมได้เมื่อเราเติมสติลงไปหรือเมื่อเราทำด้วยความสึกตัวแม้แต่เวลากินข้าวมันก็กลายเป็นการปฏิบัติธรรมได้นั้นถ้าเรารู้จักนะการปฏิบัติธรรมในความหมายเนี่ยมันจะไม่มีคาพูดหรือข้ออ้างว่าไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมไม่มีเวลาภาวนาถ้าเรามีเวลาไปห้องน้ำเรามีเวลาเข้าห้องน้าเรามีละอาบน้า เรมีเวลาล้างหน้านรามีเวลากินข้าวนั่นแหละเราก็แปลว่าเรามีเวลาปฏิบัติธรรมแต่เพราะว่าไม่เข้าใจนะไปคิดว่าปฏิบัติธรรมต้องนั่งหลับตานะต้องมาอยู่วัดเนี่ยหรือต้องรุ้งขาวหุ่มขาวก็เลยก็เลยบอกว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลางานรัดตัวนะที่จริงถ้าเราปฏิบัติธรรมดีๆนะหรือเวลาเราทํางานเราทํางานอย่างมีสตินะงานไม่ไม่รัดตัวเราหรอกนะ ามันจะไม่รัดตัวเรานะที่จริงแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะไม่เคยได้ทำงานกันหรอกนะปล่อยให้งานมันทำเรามากกว่าคนที่บอกว่าฉันทำงานฉันทำงานฉันไม่ว่างนะอเขาไม่ได้ทำงานหรอกนะเขาถูกงานทำนะเขาก็เลยเคยรียดเขาก็เลยวิตกกังวลเขาก็เลยกุ้มอกกุ้มใจเขาก็เลยหงุดหงิดนะ ความดันก็ขึ้นนอนไม่หลับเนี่ยอันนี้พวกเนี่ยถูกงานทำนั่นแหละไม่ได้ทำงานถ้าทำงานเนี่ยนะก็คือทำงานด้วยความสึกตัวนะทำงานยังมีสติรู้จั ก, จกปล่อยรู้จั ก, กวางนะถ้าเราทำนี้ได้เนี่ยงานจะไม่ทำเรานะเราเราจะทำงานนะครับว่างานรักตัวก็ไม่มีนะนะมีแต่งานที่มันจ ะ, อะเอเื้อเฟื้อเกือเก้อกูลตัวเราให้ให้สงบเย็นเป็นปกติ อ่าคำนี้ก็พูดกันทันทีนะอ่กราาับร